มีคลิปวีดีโอสั้นๆอยู่คลิปหนึ่งนะความยาวก็กันหนึ่งนาทีแต่หลายคนดูคลิปนี้แล้วนะเนี่ยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นี่สายหัวแล้วก็รู้สึกไม่พอใจคลิปนี้เนี่ยเขาสัมภาษณ์ชายหนุ่มคนหนึ่งเริ่มต้นด้วยคำถามว่าเคยได้ยินไหมบุญคุณพ่อแม่ต้องชดใช้แล้วบอกเคยแต่แกก็ตอบว่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกนะถึงบุญคุณ ของพ่อแม่หรือไม่ได้รู้สึกว่าพ่อแม่มีบุญคุณอะไรกับตัวเคขาเลยนะโอ้ประโยคนี้ประโย ค, โยคเดียวก็ทําให้หลายคนเกิดอาการไม่พอใจแล้วเขามีรู้สึกเลยนะว่าพ่อแม่มีบุญคุณอะไรกับเขาเลยแล้วเขาอธิบายว่าเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ให้กับเขาเนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ขั้นพื้นฐานเป็นความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดูงหม่ม สิ่งว่าล้อมการศึกษามันเป็นหน้าที่อของพ่อแม่อยู่แล้วที่จะต้องให้กับเราแล้วเขาก็โยงไปถึงว่าเนี่ยก็เหมือนกับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะเมื่อเอาหมาแมวมาเลี้ยงก็ต้องมีหน้าที่นะให้อาหารให้การดูแลอันนี้ก็เป็นเหตุผลของเขานะว่าทำไมเนี่ยเขาจึงรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเขา โดยการเน้นว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยที่ต้องเลี้ยงดูเขาจริงๆก็ฟังดูมีเหตุมีผลนะแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เพราะว่าก็มีหลายคนนะที่เราเนี่ยรู้สึกสำนึกในบุญคุณของเขาทต้งเรื่องที่สิยงก็ทำเนี่ยเนหะมือนก็จะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งนะ เช่นครูหมอแ้าครูหลายคนหมอหลายคนเนี่ยเขาก็ทาหน้าที่ของเขาเขามีเงินเดือนด้วยนะเขาไม่ได้สอนฟรีเขาไม่ได้รักษาฟรีแต่ทำไมเนี่ยเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ทําตามหน้าที่อย่างเดียวนะแต่ว่าเขามีอย่างอื่นให้ด้วยเนี่ยให้ฉันความรักความเมตตาความเสียสละ ครูที่เราเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยหลายคนที่เราเคารพนับถือเราสำนึกในบุญคุณของครูเหล่านั้นทั้งที่ท่านก็มีเงินเดือนสอนเราแต่เราก็ซาบซึ้งสำนึกในบุญคุณของท่านเนีเพราะว่าท่านมีความรักควา ม, มาเมตตาไม่ได้ทําตามหน้าที่อย่างเดียวหมอก็เหมือนกันนะหมอหลายคนนี่เขาก็ มีความรักความเมตตาต่อคนไข้นะเอาใจใส่ไม่ไหนทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ล้วนๆหรือเป็นเพราะว่าเขามีเงินเดือนเราจึงเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องสำนึกในบุญคุณของเขาพ่อแม่ก็เหมือนกันนะก็ในด้านหนึ่งท่านก็ตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก ให้อยู่รอดปลอดภัยและเติบใหญ่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำเท่านั้นนะท่านให้ความรักความเมตตาซึ่งตรงนี้แหละที่มันกินใจหรือว่าสร้างความซาบซึ้งใจให้กับผู้เป็นลูกจากการที่ผู้เป็นลูกเนี่ยนะไม่มีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่นี่พ่อ เ, เป็นหน้าที่นี่เหมือนก็อเป็นไปได้นะว่ามีพ่อแม่จำนวนหนึ่งเนี่ยที่ เรียกว่ายังให้ความรักความเมตตกับลูกเนี่ยไม่เพียงพอในแง่นี้เนี่ยก็ต้องกลับมามองว่าการที่วัยรุ่นคนนี้เนี่ยหรือว่าเด็กจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะการเลี้ยงลูกที่ผิดหรือเปล่า พอเราก็ต้องยอมเราเนะมีพ่อแม่จํานวนไม่จำนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกด้วยเงินนะนะมีพ่อแม่จํานวนไม่น้อยที่เลี้ยงลูกด้วยเงินจนกระทั่งมีคําพูดว่าเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสาวเลี้ยงลูกด้วยนมละแต่เลี้ยงลูกด้วยเงินก็เป็นไปได้วรนนักการที่พ่อแม่เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะเลี้ยงลูกด้วยเงินแต่ว่าไม่มีเวลาให้ลูกหรือว่าไม่ สามารถแสดงความรักให้กับลูกได้อย่างถูกต้องนะมีความรักก็จริงนะแต่ว่าใช้วิธีการบังคับเขี่ยวเข็นกดดันโดยความปรารถนาดีแต่ว่าสำหรับลูกแล้วเนี่ยเขไม่รู้สึกถึงความรักที่พ่อแม่มีกับเขาพ่อแม่จะมีนะแต่ว่า ความเรียกร้องคาดหวังมันไปบดบังความรักของพ่อแม่ก็ทําให้เด็กหรือวัยรุ่นจํานวนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกเลยนะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้รักเขาแต่เลี้ยงดูเขาเพราะเป็นหน้าที่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีก็ย่อมธรรมดานะ้ที่จะมีเด็กหรือวัยรุ่นจํานวนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่เห็นจะต้องรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณกันเลย เพราะเป็นหน้าที่แต่ที่น่าสนใจคือเขาไปเปรียบเทียบนะการเลี้ยงลูกเมื่อการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่จริงเทียบแบบนี้นี่มันก็น่าคิดนะเพราะว่าหมาแมวเนี่ยไม่ว่าเจ้านายจะเลี้ยงอย่างไรเนี่ยมันก็รักเจ้าของนะยิ่งหมาแล้วด้วยแล้เนี่ยโหมันพักดีเลยนะกับเจ้าของ เจ้าของอาจจะเลี้ยงเพราะเป็นหน้าที่แต่ว่าในสำนึกของหมาเนี่ยนะแล้วก็หลุนของแมวด้วยนมันรู้สึกรักพักดีกับเจ้าของจะเรียกว่ามันมีความกระตันอยู่ก็ได้นะเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างมากมายที่หมาแมวเนี่ยก็เวลาเห็นเจ้านายนี่เป็นทุกข์มันก็เดือดร้อนมันก็พยายามช่วยเหลือ ตัวอย่างมีมากมายนะตมาเคยเล่ามาเยอะแยะแล้วหมาแมวที่ช่วยเจ้าของได้ความสำนึกในบุญคุณเนี่ยถ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยเปรียบเทียบตัวเองเหมือนกับหมาแมวเนี่ยนราก็ยังเปรียบเทียบไม่ถูกต้องนะเพราะว่าหมาแมวเนี่ยเขายังรักเจ้าของเขายังสำนึกในบุญของเจ้าของถ้าเปรียบเทียบกับหมาแมวถูกต้องนี่ก็หมายความว่าก็ควรจะมีสำนึกในบุญคุณต่อพ่อแม่ เช่นเดียวกับที่หมาแมวสำนึกในบุญคุณต่อเจ้าของด้วยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยบางทีเราอย่าเพิ่งไปโทษเด็กอย่างเดียวต้องกลับมาดูตัวเราเองด้วยว่าให้เราเลี้ยงดูลูกเนี่ยถูกหรือเปล่าเราเลี้ยงลูกด้วยเงินหรือเราเลี้ยงลูกด้วยความรักให้เวลากับเขา หรือว่าเอาแต่กดดันเรียกร้องจริงๆเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้นะจากการเลี้ยงแมวนะถ้วคนที่ไม่น้อยเนี่เลี้ยงแมวเนี่ยแมวนี่มันไม่ได้เชื่อฟังเจ้าของเสมอไปนะเลี้ยงแมวดีเลี้ยงแมวดียังไงนะแมวก็ไม่ค่อยเชื่อฟังสั่งนั่นสั่งนี่มันก็ไม่ทําตาม บางทีมันกลับมันขวนด้วยซ้ำนะแต่เจ้าของยังรักนะแล้วก็บางทีถึงกับยอมตนเป็นทาสของแมวเลยคือแมวจะทํายังไงก็ไม่ว่าเพราะอะไรเพราะความรักเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่คาดหวังแมวว่ต้องเชื่อฟังเจ้าของบางทีพ่อแม่ควรจะต้องมีความรักแบบนี้บ้างนะรักลูกมันก็รักแมวปฏิบัติต่อลูกมันก็ปฏิบัติต่อแมวคือไม่คาดหวัง มีแต่ความรักให้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าหว่าเราทําดีแล้วเราคาดหวังนะจากใครก็ตามมันก็เป็นทุกข์นะโดยเฉพาะการไปคาดหวังจากลูกโดยเฉพาะเมื่อเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางทีพ่อแม่จจะไม่รู้นะว่าในความคาดหวังที่พ่อแม่มีกับลูกนี่มันไปสร้างแรงกดดันนะให้กับลูก แล้วพอลูกไม่เป็นไปตามาคาดหวังพ่อแม่ก็โกรธไม่ใช่แค่เสียใจพอโกรธแล้วก็เกิดนะการทะเลาะบอกแววงกันจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติกับลูกเนี่ยเหมือนกับปฏิบัติกับแมวนะโอ้มันจะมันจะเปลี่ยนแปลงนะความสัมพันธ์ได้เยอะเลยนะเพราะว่าถ้าไม่คาดหวังจากลูก ไอ้ความขัดแย้งก็จะมีน้อยลงตรงนี้เองก็เป็นเรื่องที่คนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องกลับมาถามตัวเองนะว่านี่เราเลี้ยงลูกดีหรือเปล่านะที่ลู้เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่พราะข่าจะมีสันดานที่อักตันยูนะแต่เป็นเพราะการเลี้ยงลูกที่ผิดพลาดก็ได้เน้นท่าทีของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยนะเมื่อเจอคําพูดของลูกแบบนี้นี่นะนอกจากหันมา มองตัวเองแล้วเนี่ยอย่างนี้ที่ต้องมีนะัคือความอดทนนะมีความใจกว้างเพราะว่าเรามีวุฒิภาวะมากกว่า<อ>เด็กก็อาจจะไม่มีวุฒิภาวะเขาจึงพูดแบบนั้นแต่เราก็ต้องเชื่อนะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ไวัยรุ่นหลายคนนะก็คิดแบบนี้แหละแต่พอเป็นพ่อเป็นแม่นะเปลี่ยนไปเลยนะความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยพอเป็นพ่อคนแม่คนถึงรู้ ถึงสำนึกในความรักของพ่อแม่ที่มีให้กับตนไตอตอนเป็นวัยรุ่นยังไม่รู้สึกหรอกแต่พอเป็นพ่อเป็นแม่แล้วมันรู้สึกหรือเวลาไปช่วยเหลือใครแล้วเ้าไม่ทําดีตอบเนี่ยหลายคนโกรธนะเราทํำดีเาขาเราช่วยเา้าทําไมเขาไม่สํำนึกในบุญคุณของเราเลยถึงตรงนี้แหละถ้ารู้จักมองก็จะพบว่าเอ้ย แล้วทำไมเราไม่สำนึกในบุญคุณของพ่อแม่เราเรียกร้องให้คนเดินมาสํานึกในบุญในบุญคุณของเราเราที่เราช่วยแค่เราไม่ได้ช่วยเพราะเป็นหน้าที่นะแต่เราช่วยเพราะเป็นเพราะความรักความเมตตาตรงนี้แหละที่ทําให้คนจะทําให้หลายคนเปลี่ยนใจปโตขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่เจอแล้วลูกพูดแบบนี้อย่าไปอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปตียปต่ยวชคหัวนะเพราะว่าคนมันเปลี่ยนแปลงได้ ขวาก็มีประสบการณ์และที่จริงเนี่ยนะอาตมา ก, ก็ไม่เคยแน่ใยในไะอ้คลิปนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงหรือว่าเป็นการสัมภาษณ์จริงนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคลิปมากมายนะที่เราไม่รู้เลยนะว่ามันจริงหรือปลอมอาจจะเป็นการแสดงก็ได้นะเพื่อสะท้อนความรู้สึกของคนหนุ่มสาวซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไปหมดแล้วถึงไม่ว่าเป็นความจริงนะเขาให้สัมภาษณ์จริงนะก็จะไปเหมารวมว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวทุกคนเป็นอย่างนั้น มันก็ต้องมีคนคิดแบบนี้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าไปเหมาวรวมว่าวัยรุ่นสมัยนี้เป็นอย่างนี้นี่มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอคตินะต่อวัยรุ่นหนุ่มสาวได้อย่าไปเหมาวรวมนะกต้องมีความใจกว้างด้วยไม่งั้นมันจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างรุ่นระหว่างวัยแล้วก็จะทําให้ปัญหามันลุกลามมากขึ้นแทนที่จะเกิดความเข้าใจกันนะมีแม่ตากรุณามีความใจกว้างเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนได้นะ